Book 64. 2 64กสิบสี่ตรด ต, รดตรการปฏิเสธหนึ่งเนกาซอนผมไม่เข้าใจคำสับเนราซูเมเทเบเซเด ผมไม่เข้าใจประโยคยผมไม่เข้าใจความหมา ย, ยคุณครูคุณเข้าใจคุณครูไหมครับคุณครู ครับผมเข้าใจท่านดีดาดาบร o กา r ะซูเม um คุณครูอุคุณเข้าใจคุณครูไหมครับอ u ิระซูเมเตอุ i ิเทลิซ่ครั บ, um รบผมเข้าใจท่านดีดาดาม ผู้คนลูดีคุณเข้าใจผู้คนไหมครับอลิราซูเมทลูดีไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับเนเนราซู m มมิชราอโนดอเบโรเพื่อนหญิงแฟน p ริอาตลิตซ คุณมีแฟนไหม Ali imate kak s n o p r i a t e l i t s ครับผมมีด่า Imam. ลูกสาว h c h i h r k a คุณมีลูกสาวใช่ไหม Ali imate kak ช n h c h r k a ไม่ผมไม่มีลูกสาวแน่นอแบ่แหน่นีมัม